ขงมนุษยละสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออบวิสิตาสัมมาสัมโพธิเจ้ออธธ า, มม า, ธธาในสระบำเพ้นแตเรื่องของกายของจิตอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทานแล้วทำทำเรื่องราวให้เราได้ศึกษาที่เขาเรียกว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องบรรญัติ เวทสันดนกับบันะชาแต่บันปชาปัจใจสี่ผคประสิทธิธามสัมมาสัมพุทธเจ้ากับบันปชาแต่บันปชาอัตตาถึงเขาเรียกว่าโลกกดลงที่เคยยึดเคยถือเราเองเราก็มาใช้ จิตของเราดวงไม่น้อ ย, อยมาคิดมานึกถึงบุคพลังคือกำลังใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ให้คำสอนนั้นบริสุทธิ์ว่าเราั้นควรจะดำเนินหรือกะทำกันยังไง 还没ได้ใส่บ้างมใส่ดีๆก็มีเยอะที่ท่านได้สอนไว้หรือได้ชี้ไว้ได้นำได้ชี้ได้นำ ให้เราได้ใช้ความนึกคิดหรือพิจารณาสายดีสัยไม่ดีทานกัชทิให้เราคิดให้พิจารณาทั้งนั้ น, นสายโลกเป็นยังไงนิสัยนิสัยธรรมเป็นยังไง นิสัยทั้งสองเนี่ยไม่ใช่บนิสัยของใครล่ะนิสัยเรานิสั่นิสัยคนข้างเคียงนิสัยของเรานั่นแหละท่านิสัยของเราก็ยังมีทิฐิมีตัณหามีอุปาทาน มีทั้งสัมบาทิฏฐิมีทั้งมิจาาทิฏฐิแต่นี้ที่ท่านีมาหาเราก็เพื่อจะให้เรานั่นได้ปราลบทิฏฐิของเราเองความประพฤติของเราเองเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข มันดีมันงามหรือจะไม่คิดไม่นึกไม่ปรับรู้ไม่แก้ไขก็แล้วแต่แลแต่สติปัญญา พะเรามาเดินถึงเรื่องของจิตเราไม่ใช่ไปเดินเรื่องของชีวิตถ้าชีวิตนี่เขาเรียกว่าการใช้กายใช้วิญญาณที่ยังประปุกัน แต่ถ้าเรานั่งอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าใช้จิตแหละเดินถึงจิตก็ต้องหมันระลึกชาติระลึกความประพฤติก่อนเน้นๆกันไว้นะสำหรับพระเนเมชีญาจงเราเน้นกันไว้หน่อยหนึ่งว่าความประพฤติ เราทํำยังไงเราจึงจะให้ความประพฤกของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีที่เขาเรียกว่า <c oughs> มีมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์ที่มีเหตุมีผลในอันที่จะคบหาสมาคมหรือใช้ความระพฤกต่อบอุคคล น, นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านบรรจาระดับความนึกคิด ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากเมตตากันช่วยเหลือกันเรืยบเฟือกันเพราะว่าถ้าเราไม่ม่มีการเมตตากันช่วยเหลือกันเรืยบเฟือกันในด้านความตระหนึกเนี่ย มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันร่วมกันไม่ได้ถ้าอะไรมันจะเกิดความขัดแย้งบุคคลที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็ จ, ยเออเะจะต้องมีการเอื้อเฟื้อความปรปพ๊บซึ่งเราก็จะต้องฝึกนะ เขาเรียกฝึกเข้าหาคือหาความประเพฤติดีๆเนี่ยเข้าหากันด้านกายก็ดีด้านวาจาก็ดีด้านความนึกคิดก็ดีต้องฝึกเขาคนเหล่านี้มันมาจากเรื่องของมิราาักษะคือมันโหดเที่ยมทารุณ แงกระด้างไร้มารยาทไม่มีนิสัยอริยะมันมากันตรงโน้นมนุษย์ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีพันปีแสนปีนะโกรปีล้านปี ก็ไม่รู้ว่าเรามากันจุดไหนสลับผันเปลี่ยนเวียนไปมาระหว่างมนุษย์บางาสัตว์บ้างเพราะนั้นวิสัยต่งางๆที่มันสะสมมาบางครั้งมันก็แสดงอาการที่ไม่น่าดูน่าชม ในในในในสายตาของผู้อื่นหรือว่าในความรู้สึกของผู้ของค้ามคนเราทนี่มันจะมีนิสัยอยู่สองอย่างแต่ว่านิสัยนร้จะแสดงออกมาเท่านั้นแหละก็คือนิสัยที่เห็นแก่ตัว แล้วก็นิสัยที่เห็นใจกันเราจะสังเกตเราจะสังเกตเห็นบุคคลที่เห็นใจกันเนี่ยมันจะเอื้อเฟื้อกันนิ่มนวลไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านด้านความนึกคิดหรือด้านมัรจาแม้แต่ในด้านปัจจัยสี่เราจะเห็น มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมนุษย์ที่เห็นใจกันซึ่งมันโกงกันข้าวกับมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนี่พุทธเอาท้าเรียกว่ามนุษย์อัตตาคือถือตัวถือตนแตนี่ขี่เดียว ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไม่เดี๋ยวรู้แล้วความระเพริศส้นต้นเองในอันที่จะใช้กับผู้อื่นดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ตอนนี้ในนิสัยทั้งสองประการเนี่ยอันไหนมันสะสมไปมากมันจะออกมา คือท่านนิสัยของความเห็นใจมีไว้มากนิสัยนี้จะแสดงออกมาเรื่อยๆไปอยู่ในบุคคลใดในกลุ่มใดคณะใดจะเป็นที่รักที่ชื่นชมแก่กลุ่มนั้นบุคคลนั้นแต่ท่านนิสัยที่เห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้น คือมันมากนิสัยเห็นใจการที่มันมีน้อยมันจะแสดงออกไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะอยู่อย่างไรอยู่กลุ่มไหนฐานะอะไรมันจะแสดงออกเนี่ยเราลองไปตั้งเกตดูนิสัยเรา นิสัยที่เห็นใจกันนิสัยที่เห็นใจกันนี่เขาเรียกนิสัยที่มีเมตตาการุณาเป็นพื้นฐานแต่นิสัยที่เห็นแก่ตัวถือตัวถือตนนี่จะมีความโกรธ หรือความไม่พอใจความตะหนีขี้เหนียวไร้สติปัญญาเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะทุกคนนั่นแหละที่นั่งอยู่นี่แม้กระทั่งคู่คูดเองก็เหมือนกันซึ่งเราก็ยกเว้นพระพุทธองค์ ซส้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคือทั่วโลกก็ยกย่องพระธองค์ว่าเป็นผู้มีเมตตาคุณกรุณาคุณที่เราทั้งเตือนท่านจะหาใครที่จะเมตตาคุณกรุณาคุณเหมือนพพุทธองค์ไม่มีอีกแล้วนะ เพราะฉะนั้นไอ้นิสัยทั้งสองถ้ารุดตรงแล้วมันมีคำว่าที่รักคือนิสัยที่เห็นใจกันนี่ไปอยู่ตรงไหนนี่จะเป็นที่รักนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เชิดชูเป็นที่สุขใจของบุคคลนั้น หรือในกลุ่มนั้นขณะนั้นเพื่อมันกลงกันข้ามบคุคคลที่เห็นเกดตัวบคุคคลนั้นนี่ไปอยู่ตรงไหนอยู่กับใครคณะไหนก็จะเป็นที่เกลียดขัง จนถึงขนาดคำโบราณได้กล่าวเป็นคำบางเคยให้เราได้ยินได้ฟังว่าฝนตกที่หมูไหลคนจังไหลเข้ามาแพ้คำโบราณหรือแม้แต่คำบังเคยอีกข้อหนึ่งที่บอกว่า ลบคนดีกับลบยาคนไม่เท่าท่ายาดีกับคนก็เพื่อจะให้สังเกตดูลักษณะบุคคลที่ใช้ในิสัยทั้งสอง หรือถ้าจะจัดขึ้นมาเป็นอันดับของคําคสอนของพระพุทธองค์เขาเรียกว่าอริยะกับมิราาักขะอริยะหมายความผู้ที่เจริญแล้วโดวยศีลธรรมอารยะธรรมพวกรักขะนี้คือพวกที่ไม่เจริญไม่มีศีลธรรมไม่มีอารยธรรม นี่มันอยู่ในในในตัวของเราทุกคนบางครั้งนี่เราก็กดททบแย่เลยอยากจะใช้นิสัยที่เห็นแก่ตัวนิสัยเขาเรียกว่านิสยัยหรืออนุสยัยที่ว่ากิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตหมายเราก็ทนก็ยังน่าดูเลยขัดฟันทนขันติอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะ บางครั้งหนีไปเลยไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากจะคุยเขียวหาเรื่องกับคนนั้นออกไปเลยหมายให้มันทุ่นหูทนตาซะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่ตรงนั้นนี่ตรงขอขาด บ, บาดตายกันแน่คือนิสัยที่เห็นกกนตัวเนี่ยมันจะออก จะออกมาไม่ได้แต่พะอาศัยดีหน่อยเรายังมีสติก็เลยหนีไปซะหลบไปซะอะไรแต่ น, นีสัยที่เห็นใจกันเมตต า, ากันกรุณากันนี่ แม้ท่านนั้นออกมาก็เป็นที่สบายกายสบายใจสังเกตดูมนุษย์ปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องบรรพบุบบรุษผู้สูงอายุพระพุทธศาสนา รู้สึกว่าจะถูกลุกลานไปทุกแน่ทุกมุมคือคนเห็นแก่ตัวบันหมีมากคนที่ชใช้นิสัยเห็นแก่ตัวหรือเขาเรียกว่าถือตัวถือตนมันหมีมาก คือสิ่งนี้บางครั้งหลวงอานี้ก็เคยปลาลกจากโยมหรือภรชีกัเคยมาปลาลกผมจะทำยังไงฉันจะทำยังไงหลวงอาก็ต้องบอกว่าเออเราเป็นคนรู้จักอารมณ์ใช่ไหมเราเป็นคนฝูกฝังความเมตตา เอาชนะคนโกรธด้วยความเมตตาเอาชนะคนเห็นเกตตัวด้วยกันให้เราเขจะเมตตาแผ่เมตตาพัะซะจะไปโกรธไปเครืองเขาเลยคนอ่านหนังสือออกกับคนอ่านหนังสือไม่ออกจะไปโกรธไปเครืองอะไรกันจะไปบังคับขู่เข็นเลยรบ่อยพรเถอะก็ต้องบอกไปอย่างนี้ แต่เขาก็แยงขึ้นมาบางครั้งมันทนไม่ไหวนะมันหลายครั้งนะ่ะวันนี้ก็หาเรื่องพวงนี้ก็หาเรื่องประเดนก็หาเรื่องคือ ม, มันหาเรื่องอยู่เรื่อยจะให้ทํำยังไงอ้าวถ้ามันมีอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องขันติรดทนทนเรื่อยๆ เ, เลยที่จะไปทํำยังไงเรา มันมีขึ้นวันนี้เราก็ขันติพรุ่งนี้ก็ขันติวันรุง่งเรขันตนะิขันติอันนี้เนะี่ยคืออา น, นิสงส์คิดาำให้แยกทางเดินเพราเราเกิดมาร่วมโลกเพื่อใช้กรรมกันคนไหนฉลาดรู้จักใช้กรรมก็ขันติอดทนเฉยซเพราะเราไม่อยากจะไปมีกรรมต่อเขา คนไหนโง่ไม่เข้าใจเขาไปหาเรื่องหาราวเขาเขานี่เขาเรียกว่าคล้องกัมกันก็ไม่หมดไม่จบสิ้นชาติเหมือนกับ ก, การเขายื่นหนี้สินเขานี่ใครยิ้มอยู่เรื่อยทีนี้เมื่อครยิ้มอยู่เรื่อยมันก็ต้องท่งต้นทรงดอกอยู่เรื่อยอะ่ะเพราะมันไม่เป็นอิสระแก่ตัวเราสักที มันจึงแยกทางไอ้ตัวนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขันติอดทนเนี่ยคือการที่เราจะทำให้เราได้แยกทางกันไปปัจจุบันเนี่ยพยายามแยกทางกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซะไปในอนาคตจะได้ไม่ไปคล้องกรรมก็ด้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกผู้ที่รู้นี่เขาจะมีความเข้าใจถึงเรื่องการ แยกทางเดินของกรรมอ้าคนที่มันจะหากรรมเนี่ยมันก็ไปทำกรรมไอ้คนที่จะหนีกรรมมันก็ไปเนี่ยตามหนีกรรมมันก็มีอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งก่อกรรมเขาดา่เาเราเราด่าเขาที่แรกเราทนท น, ทนไม่ไหวาาก็ด่าม้างอ่ะมันกไ็ไม่จบกันอีกเราพยายามที่จะปลูกนิสัยความเห็นใจแต่เขาพยายามปลูกนิสัยเห็นแก่ตัว ไอ้ความเห็นใจนี่มันไปอีกทางหนึ่งไอ้ความเห็นแก่ตัวมันไปอีกทางหนึ่งไม่งั้นเขาจะเรียกว่าหลีกทางกันเหลอมันจะพ้นกันได้ยังไงถ้าเราไม่หลีกทางกันมันต้องมีสติปัญญาเข้าใจหน่อยนึงสำหรับไปเจอบุคคลที่มีความเห็นแก่ตัวเขา้า ถ้าชีญา่าโยมของเราบางคนนียังไม่รู้จักหลีกลคือถ้ามันไม่รู้จักหลีกมันก็ไม่รู้จักหมดเขาให้เราหลีกจนจนโลกุตลธรรมนี่เขาก็บอกบอกไว้ถึงเรื่องอะไร เกิดที่ใจดับที่ใจคือจะปล่อยนิสัยเห็นแก่ตัวให้มันออกเอาละไอคนนั้นออกมาแล้วนิสัยเห็นแก่ตัวออกมาแล้วว่าจากากายจะออกไปแล้วสั่นสะเทอหมดแขนขาหน้าตายุดยุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆิเกรี่ยตัวเราเกรี่ยตัวไงเก็ี่ยตัวอดทนนั่นสิอย่าไปเล่นกับเขา เนี่ยเขาก็เขียนว่าบนป้ายเนี่ยเห็นว่าไฟเนี่ยจะเห็นผู้อื่นไม่ใช่มิตร์ตรงที่เห็นแต่ตัวเนี่จะเราถือว่าเป็นไฟเขาจะเห็นผู้อื่นไม่ใช่มิตต์เอา็ดีแล้วไม่เห็นเราเป็นมิตรน่ะเพราะเราก็ไม่อยากาะเป็นมิตรอยู่แล้วเลาอยากจะเป็นมิตร์เกิดทำเราไม่อยากอยากเป็นมิตรกัด แกผู้ที่เห็นแกตัวหรือมีกรรมมันให้มารู้จักหลบจักรลีไม่งั้นมันไม่ได้ผลอะไรนะคือถ้าสรุปผลแล้วมาคิดถึงการคำนวนเรานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเดียวกับปฏิบัติกันหนึ่งชั่วโมงนะเอาให้เลยหกสิบนาที รวมกายวายจากันหกสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแต่ไปก็เลิกกันล่าเขาตั้งยี่สิบสามชั่วโมงแล้วมาขึ้นตะช่างดูสิเนี่ยอั น, นั้นมันหนักเนี่ยโอ้โหไปเล่นกระกำซะตั้งยี่สิบสามชั่วโมงมานั่งทําใจทํากายชั่วโมงเนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเขานะ นั้นเพื่อบรรทัดเขาเรียกว่าเพื่อป้องกันน้ําท่วมน้ําท่วมหัวใจน้ําท่วมปอดเพื่อป้องกันหัวใจล้มเหลวก็ขันติอดทนมีสติขันติเฉยจ้นี่แหละคนฉลาดมายั่วยุขนาดไหนเนีย่ยไม่เคยต่ อ, อก่นเลยพราะรู้แล้วนี่ คือไปต่อความพรเถวทัศน์แล้เดี๋ยวไปใช้กรรมรทท ก, ก็เถวทัศนอีกเถอยอย่างเดียวคือที่เฉยนี่ไม่ใช่เฉยแบบประเพศไม่รู้เรื่องอะไรนะเฉยแบบคนมีปัญญาคือถ้าเราถ้าเราเฉย อ, อย่างนี้เราก็ไม่คล้องกรรมมาเข้า เราก็จะได้หลุดไปจากคนคนนี้เอาถ้าไปเจอคนข้างหน้าเกิดอย่างนี้อีกเราก็เฉยตาก็าจะได้หลุดคนนั้นไปอีกเหมือนก้คนเรียงรายร้อยคนยืนเข้าแถวที่จะข้องกรรมกับเราคนที่หนึ่งเราก็หลุดไปแล้วคนที่สองก็หลุดคนที่สามคนสุดท้ายก็หลุดมันก็จบเก็บครับทีนี้คนที่หนึ่งก็เอาไปเขาด้วยคนที่สองก็เอ า, าเขาอีก ไอ้คนที่รอดเอาอีกมันก็เลยก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดนี่เรามาอยู่กันตรงนี้นะมันก็แลยดูเบาบางนะมาอยู่คอนโดมันยิ่งคนไม่ายีอย่างเขามาถือมีดถือไม้ถือปืน กกเหมนถกถกันเกงเล่นกันเนี่ยไมเล่าไอ้ที่ตาย ไ, ไอ้ที่บาดเจ็บจะไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละ้าไมเห็นแก่ตัวมันจะเจ็บมันจะตายเราเองนเราเองอ่ะออกบรรดาเนี่ย ถ้าชีอยายกจบก็คงจะต้องไปเล่นเขาอีกเราวังให้ดีกรับไปเล่นกับคนเห็นแก่ตัวกันเลยใต้ทัลักหัวสมองลรวเบิดอับางทีก็ยังไม่ถึงหัวสมองยังไม่ถึงใต้ทัลักเจ็บใจอีก เราเตจสีเราแปลงเราแต่ละพัดนั่นแหละอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวก็อยู่กับคนผู้เพื่ผู้เห็นใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไปคัดกลมว่าเอออ้สี่อีกโลกนี้คนเมตตา ม, มาอยู่นะและไอ้สี่กโลกโน้นไหนคนเห็นแก่ตัวไปอยู่มันไม่ใครอย่างนั้นมันโตนกัน จนโลภุตระธรรมนี้เขาสอนหมดหนึ่งนะที่หลวงอาเคยพูดเคยบรรยายฟังว่าถ้าโคดมผสมเหตุไวในเขตนี้ใครยิ่งแกล้งกายยิ่งได้ดีหรือก็ถือว่าคำสอนคำนี้เป็นคำเกกวก็าตามใจนะคเคยพูดเคยบรรยายฟังคือหมายว่ามันดีชั่วมันปนกันอยู่ คือคนเราเนี่ยมันปนกันแล้วลุองอาก็ย่อมาเป็นลักษณะนิสัยซะนิสัยเมตตาแั่นิสัยเห็นแค่ตัวคือนิสัยที่เห็นแก่ตัวนี่เขาเรียกนิสัยความชั่วนี่มีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นิสัยเมตตานี่ยเขาเรียกมีมีความดีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่มันยังไม่เต็มร้อยหรอก ถ้าเท็มร้อยต้องฝ่าอราหันแล้ววางเราให้ดีๆไ ด, ด้พวกนี้นี่ไม่ค่อยจะอะไรอ่ะไม่ค่อยจะมีอะไรลกไม่ค่อยรู้เท่าทันเขาหรอกเขามาแต่ละทีเงีเหมือนกระฟาเหมือนกระฟาแหลบฟาลองอะรับรับรับรับมาแหละอ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อะไรอย่างที่เขาฝึกให้เราทนเนี่ยเขาได้่าฝึกให้ชา้าเพราะจิตของเราเนี่ยมันช้ามากที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยเรียกว่าช้ามากเลยไม่ทันกับอารมณ์เขาก็เลยฝึกให้เราทนอะไรแล้วก็ทนไปก่อนตาตลุงลุ ง, ลงพี่ลุงน้าไม่ชี้แก่ไม่ชี้หนุ่มไม่ชี้สาวอะไร บาปตกปฏิการไงก็ชาติทนทนไว้หน่อยทนอย่างเดียวจนพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นว่าความอดทนนะเป็นตะบะที่สามารถทาําล้าอทําให้เราเนี่ยพ้นจากบาปได้เป็นตะบะเป็นเดชะคือเป็นอำนาจที่ทําให้เราพ้นบาปได้ทำไมความอดทน พุธ้าท่านเห็นแล้วอะไรมันเป็นอันไรนท่านยกคำสอนมาให้เราฟังมาให้เราพิจารณาเนี่ยเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงท่านเห็นหมดแล้วแล้วเราก็เถียงท่านไม่ได้หรอกใครจะมาเถียงพุทธองค์เทวาดาอินทนนทงต้านม่อยู่สามโลกจัตวาลต้านเหตุผลของพุทธองค์ไม่ได้ ขุ่นเจงกรานถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยในโลกมันมีมันมีมนมอธิปไตยอยู่สามอย่างที่เขาใช้กันนะเ้าเรียกว่าโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยอธิปไตยทั้งสามประการเนี่ยแหลกหลานไม่มีชิ้นดีหรอก แต่ถ้ามีธรรมมาที่ปไตายเราจะเป็นคู่เป็นคนเป็นหมวดเป็นหมู่เพราะว่าธรรมมาธรรมมาที่ปไตยในหมายถึงเหตุผลตัวฝังจิตใจคนให้มีเหตุผลแล้วจะอยู่ร่วมกันได้โลกาที่ปไตยเขาเรียกว่ามาก็เป็นพวก